นี้เป็นอีกตอนหนึ่งของภาพปั้นเป็นเหตุค่ะเป็นพฤติการของเศรษฐีบ้านหนึ่งที่ในมัน่นช่างหล่อพระเข้าไปเกี่ยวข้องและทุกคราวที่บ้านนั้นมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในมั่นเนี่ยเป็นต้องวิ่งโร่มาที่คุณ น, นบพระภิกษุที่วัดระฆังซึ่งเรื่องตอนต้นอยู่ในเล่มผู้ที่ไม่มีร่างกายที่ปรึกษาของในมั่นก็คือพระภิกษุนบนสมัยครูพยุงตอนนี้บ้านที่ว่านั้นได้มีเรื่องขึ้นอีก นายมั่นก็วิ่งมาหาที่ปรึกษาอีกตามเคยในคืนวันหนึ่งผมกับครูพยุงเสร็จเรื่องทางโรงเรียนตอนหัวค่ําแล้วก็กลับมาหาคุณนบที่วัดอีกเพื่อหารือเรื่องของโรงเรียนให้ก้าวหน้าไปอีกคืนนั้นก็พอดีนายมั่นของเราโผล่หน้ามาพอดีหลังจากที่ไม่ได้พบกันมาหลายวันแม่หมู่นี้นายมั่นห่างพวกเราไปเลยนะผมทักขึ้นก่อนมัวหลอพระอสิไม่ได้มาซะนานนายมั่นตอบถ้าจะองค์ใหญ่คุณนบถาม ไม่ได้ครับขนาดสูงสักหนึ่งฟุตเท่านั้นเป็นพระบูชาที่วางบนโต๊ะหมู่บูชาในมั่นตอบเสร็จแล้วกระมังคุณนกถามแบบดักเชิงครับเสร็จแล้วเป็นพระยืนครับพระวันศุกร์ในมั่นว่าเป็นพระของคุณนายนิ่มนวล น, นั่นแหละครับแกเกิดจะสร้างพระประจำวันของแกขึ้นอ้อคุณนายเจ้าของภาพปั้นน่เองคุณนกรองขึ้น พวกเราก็เลยหัวเราะกันขึ้นเพราะว่าบ้านนี้นายมั่นจะทิ้งซะไม่ได้ติดต่อกันเสมอแล้วก็มักมีเรื่องใส่ตัวมาทุกทีคุณนายนิ่มนวลไม่มีอะไรหรอคราวนี้คุณนพถามอย่างสับพยอกมีสิครับนายมั่นตอบเสียงดังมีทีเดียวเอาอีกแล้วครูพยุงร้องเราทั้งหมดก็หัวเราะกันอีกเรื่องไม่ขาดดอกบ้านนี้นะคุณนพว่าครับ นายมั่นรับคำอย่างเอื่อมระอาถ้าไม่เกี่ยวกับเอาพระที่หล่อแล้วไปส่งก็คงไม่รู้อะไรมาหรอกนายมั่นพูดแล้วก็สั่นหัวคุณพ่อหรือคุณปู่นั่นน่ะเหรอคุณนบถามใช่ครับเอาอีกนายมั่นรับคำอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคุณนบพูดเชิงห้ามเพราะว่ารำคาญแทนมันยังไงอีกละ่ะผมอดไม่ได้ที่จะถามไปก็มาเข้าฝันคุณนาย บอกว่ารู้ข่าวว่ามีผู้มาจ้างประดาน้ำจะงมเอาภาพปั้นของแกไปทำเอาของขลังที่ไหนก็ไม่รู้แกโกรธหนักถือว่ามันเป็นสิทธิ์อะไรภาพปั้นนี้เป็นภาพของประจําบ้านแล้วก็จมอยู่หน้าบ้านแท้ๆใครจะมาทําเล่นดังนั้นก็คือไม่เคารพสิทธิ์ของคุณนายถ้าคุณนายปล่อยเฉยแกก็จะอรารวาดให้ปนเลยในมั่นเล่าให้ฟังแค่นี้ก็หยุดถอนหายใจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณนายแกฝันไปเท่านั้นคุณนพพูด เรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านั่นน่ะสินายมั่นพูดตามที่เคยปากแกว่าแกฝันอย่างนั้นอ่ะเอาละแกว่าแกฝันแบบนั้นถ้ามันเกิดเป็นจริงแกจะว่ายังไงละ่ะคุณนบพูดแกว่ากับผมว่าถ้าจริงได้ก็ดีเอาไปซะดีนะักเพราะอยู่ใต้น้าก็อรารวาเชาวเรือที่มาเสียเงินค่าเช่าทําหมดจะไม่มีใครจอดอีกนายมั่นว่าเอ๊ะอรารวาสอย่างนั้นเชียวหรอคุณนบถามครับ ในมั่นตอบคุณปู่ลงมืออาวาดชาวเรือแล้วละสิขึ้นไปหลอกเขาบนเรือเหรอผมถามไม่ใช่ครับในมั่นสั่นหัวคุณปู่แกก็เอาเพียงเบาๆก่อนแกก็ทําเป็นปลาหนุนเรือนูนขึ้นยุบลงคนเรือก็ตกใจชั้นแรกคิดว่าคลื่นเรือไฟวิ่งมาแต่ดูไปแล้วก็ไม่มีเรือสักลำเอทําปลาใหญ่หนุนเรือดึกๆก็น่ากลัวใครจะรู้ว่าอะไรอยู่ใต้น้าครูพยุงพูด จริงครับน่ากลัวอยู่ๆเรือใหญ่จะล่มจมน้ำใครๆก็ไม่สบายใจผมสนับสนุนเรือบางลํำเนี่ยบอกว่าบางคืนคล้ายกับใครมาโครงเรือเล่นพอมองไปก็เห็นคุณปู่ตัวขาวโพลนยืนขย่มเรือเล่นพอรู้ว่ามีคนมองอยู่ปู่ก็กระโดดน้ำหายไปพอเช้าขึ้นเรือทุกลํำก็ถอยไปหมดแล้วก็บอกคุณนายว่าจะไม่มาจอดอีกนมั่นว่าทาไมไประรานเขาแบบนั้นล่ะเขามาจอด เขาก็ให้รายได้แก่ลูกแก่หลานตัวเองคุณนพว่าแกเข้าฝันนะครับเข้าฝันว่าพวกชาวเรือเนี่ยมาดูหมิ่นแกมาจอดเรือบนหัวแกนายมั่นว่าอา้าวก็แกสมัครใจลงไปอยู่ที่นั่นเองนี่นาะที่ตรงนั้นนะ่ะคุณนพว่าโฮ้ยพูดยากกับคุณปู่นายมั่นร้องอย่างเอือม่มคุณนายแกขอร้องให้ผมช่วยสืบสืบดูว่าเรื่องที่มาเข้าฝันนะ่ะมันจริงไหมผมก็แอบไปถามบดานาะมุสลิม เขาก็ว่ามีประดานะ้ํา อ, อื่นมาชวนให้ไปช่วยกันงมภาพ ป, ปั้นนั้นมาหลายๆแรงเพราะว่ามีเจ๊กคนนึงอยากได้จะเอาภาพไปเข้าพิธีอะไรก็ไม่รู้เอมันหน้าบ้านเขานะแล้วก็ภาพ ป, ปั้นนั้นเนี่ยมันเป็นของบ้านนั้นทําผิดกฎหมายนะคุณนพพูดอย่างเป็นห่วงผมก็เตือนนักประดาน้ําแล้วครับเราชอบพอกันก็ให้สติไว้แล้วพวกเขาก็ว่าเขายังไม่รับปากตกลงอะไรด้วยเลยเพราะเกรงว่าภาพ ป, ปั้นรายนี้เหลือเกิน แต่คุณนายนะสิครับแกบอกให้ผมเนี่ยหนุนนักประดาน้ําให้ทําเถอะจะได้ไปไปสทีแกจะแอบแถมเงินให้แล้วตัวแกเนี่ยจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่างนี้แกก็หาเรื่องใส่ตัวละสิแกจะทําไม่รู้ไม่ชี้ได้ยังไงกันภาพปั้นนั้นเนี่ยมันเป็นภาพปั้นปีศาจก็รู้อยู่แก่ใจคุณนายเองก็รู้อยู่เต็มอกจะหาว่าลูกสะพ้าไม่รักใคร่เคารพพ่อผัวจะอรารวาดหนักเข้านาแล้วนายมั่นจะพลอยรําคาญด้วย บอกว่าในมั่นร้องออกมาคล้ายอยากจะร้องไห้เดี๋ยวนี้เรือแพเนี่ยถอยไปหมดแล้วดูเวิง้งว้างพิลึกชาวเรือว่าจอดอยู่จะลงไปอาบน้ำก็กลัวจะทำอย่างอื่นก็เกรงปล่อยเขาดีกว่าอย่าไปยุ่งเลยคุณ น, นบห้ามแบบตัดบทในมั่นจึงหันคุยเรื่องอื่นๆพอสมควรแล้วก็ลากลับบ้านไปจนต่อมาอีกหลายคืนในมั่นจึงมาที่กุฏิแต่ว่าคืนนั้นครูพยุงไม่ได้มามีแต่ผมเตรียมจะนอนอยู่แล้วก็เลยประชุมกันแค่3ามคนคุณ น, นบ ผแล้วก็นายมันมีอะไรคลืบหน้าอีกไหมอะคุณนบถามตั้งใจฟังกันเล่นแบบสนุกสนุกมีครับมีคนมารับทำการแก้อาถรรพ์มาตั้งศาลเพียงตาที่ชายน้ำนายว่าจะเป็นพิธีอันเชิญหรือขับไล่ผมก็ไม่ทราบเห็นเข้าลงมือเมื่อเชา้านี้ผมก็เลยหลบมาซะคิดว่าพรุ่งนี้จะย่องไปดูว่าพิธีเขาจะได้ผลอย่างไรบ้างมันจะวุ่นนาคุณนบพูดอย่างหนักใจนั่นนะสินายมันว่า แกไปเชื่อใครก็ไม่รู้การแก้อาถันแก้อย่างไรก็ไม่รู้กันผู้ทำเท่านั้นที่รู้ของเขาอาจจะสำเร็จละมั่งคุณนบว่าแต่วันหน้ามันจะยุ่งอะไรอีกใครจะไปรู้คุณนายแกก็ไม่ควรจะหนักใจเรื่องเรือแพถอยไปจนโล่งโถงฉันว่าปล่อยสักพักหนึ่งพอการอรารวาสของแกซาลงก็กลับมาจอดได้อย่างเก่าและมาคิดทำอะไรอะไรให้ถูกตามแบบแผนแท้ก็จะเงียบไป นี่ได้ข่าวว่าพวกลูกๆเนี่ยจะขอไปพักบ้านญาติที่อื่นก่อนเขาว่าเขาต้องดูหนังสือถ้าเกิดความหวาดกลัวแบบนี้เห็นจะต้องสอบตกลงท้ายคุณนายจะต้องอยู่บ้านกับคนใช้ทั้งนั้นแนมั่นพูดแล้วก็เอามือตบท้ายทออย่างแก้มืนหัวพวกลูกน่ะทำไม่ถูกหรอกอย่างไรๆก็ควรห่วงแม่ให้มากคุณนบว่ามันกลัวหนิครับพูดอะไรกันได้แนมั่นร้องวุ่นกันไปทั้งบ้านถ้าทําไม่ดีก็จะวุ่นอีกนะคุณนบพูด ในมั่นจุปากอย่างระอาคืนนั้นทั้งหมดเรื่องบ้านคุณนายนิ่มนวลแค่นี้ในมั่นก็ลากลับผมก็เข้านอนพอรุ่งเช้าคุณนบฉันจังหันแกก็เกรออกนอกวัดหาของชอบดื่มเล่นคลุ้มๆตอนเช้าแล้วก็เลยหาอาหารเช้าด้วยก็พอดีเห็นในมั่นเดินเหี่ยวๆมาตามถนนผมก็เลยเรียกให้แวะแล้วก็ดื่มด้วยกันชิบหายแล้วบ้านนั้นในมั่นพูดยกมายกมือทาไมกันล่ะครับ สารเพียงตานั่นนะ่ะมีโคลนก้อนใหญ่ๆประเคนเต็มเลยสารล้มเอียงไปแล้วเมื่อกี้คนในบ้านกำลังมุงดูกันอยู่คนในบ้านแกล้งหรือเปล่าผมสงสัยโห้ยไม่หรอกมีแล้วคนในบ้านจะกล้าทำตาขาวยังกับอะไรในมั่นโบกมือจะมีใครซะอีกล่ะก็ท่านที่อยู่ใต้น้ำนั่นแหละผมว่าอย่างนั้นนะคุณนายว่าไงบ้างล่ะผมถามก็น่าจืดไปเท่านั้นแหละหมอทาพิธีก็ยังไม่เห็นมา ในมั่นพูดแล้วก็ระบายลมออกทางจมูกแรงๆในมั่นกินข้าวเช้ากับผมเลยพอกินอิ่มก็รีบแยกกลับไปเพราะว่ามีงานค้างอยู่ผมกลับเข้าวัดแล้วก็เล่าเรื่องที่รู้จากในมั่นให้คุณนบฟังนั่นคุณนบร้องลงยังงั้นจะไปทําอะไรกันไม่มีความขลังสเลยท่านเจ้าพิธีลงกฎเขาไม่ลงละมันก็ต้องเลิกขืนฝืนทาไปก็บ้าปเปล่าๆเห็นในมั่นบอกว่าไม่เห็ น, นอาจารย์ผู้นั้นเลยนะครับผมว่า พอตกบ่ายผมไปโรงเรียนพอกลางคืนผมกลับวัดก็พบกับนายมัน่นมาคุยกับคุณนบอยู่ก่อนแล้วเรื่องภาพปั้นอารวาดสงสารคุณนายนิ่มนวลเที่ยวเชื่อใครต่อใครลำบากละคราวหลังนายมั่นเนี่ยก็ชอบกับแกดีช่วยเตือนแกซะว่าควรทำอะไรให้ถูกแบบสถทีอย่าไปเอาง่ายๆแบบนั้นเดี๋ยวมันจะวุ่นวายคุณนบว่าจะทาแบบใดดีล่ะครับท่านช่วยกุณาแนะนาด้วยเถอะครับนายมั่นขอร้อง ฉันเองก็ไม่ใช่เจ้าตำราหรอกนะแต่ก็พอจะแนะนำได้บ้างตามที่เคยรู้เคยเห็นมาต้องให้คุณนายเนี่ยเสียเป็ดไก่แล้วก็หมูต้มไข่ต้มจัดการเส้นไหว้ซะแล้วก็บอกกล่าวอะไรอะไรอีกหลายคำกับปู่เด็กๆซะว่าจะพยายามต่อต้านพวกที่จะมงมภาพปั้นนั้นไปเอาอย่างนี้เถอะนายมั่นเอากระดาษมาจดไปเดี๋ยวจะลืมไปบ้างต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับที่ตั้งสารเล็กๆขึ้นที่ชายน้า แล้วก็ให้คุณนายนิ่มนวลเนี่ยอัญเชิญคุณปู่ขึ้นไปไว้บนสารเล็กๆนั่นซะผมหยิบกระดาษให้ในมันในมันก็จดไปตามที่คุณนบบอกอีกมากมายเมื่อจดไปแล้วเรียบร้อยก็ลากลับไปแต่ว่าตัวผมคุณนบยังเรียกเอาไว้ว่าจะพูดอะไรให้ฟังผมก็เลยยังคงนั่งอยู่คนอื่นๆไม่ให้เข้าไปยุ่งกับคุณนายนิ่มนวลแต่ตัวฉันเองกลับเข้าไปเกี่ยวข้องเองก็เพียงแค่ให้คาแนะนาเพราะสงสารเท่านั้นเองดอกรืผมว่า มันยิ่งกว่านั้นนะสิคุณนบว่ารู้ไหมที่ฉันแนะนำคุณนายให้สร้างสารเล็กๆขึ้นที่ชายน้ำหน้าบ้านนั่นแหละเป็นแบบแผนการของฉันผมมองหน้าท่านเพราะยังไม่รู้เหตุผลว่าแผนอะไรของท่านรู้ไหมที่พ่อผัวคุณนายสำแดงเดชไล่ชาวเรือชาวแพไม่ให้จอดนะเพราะอะไรเพราะถือว่ามาจอดบนหัวแกรกระมังโฮ้ยไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องถือเนื้อถือตัวอะไรหรอกคุณนบอธิบาย ผู้อาลวาดนะไม่อยากให้ใครมาอยู่แถวนั้นก็เพราะว่าชาวเรือเนี่ยมีผู้หญิงแล้วก็คนไหนจะตั้งท้องใครจะทราบแกกลัวจะต้องถูกดึงถูกดูดไปเกิดนั่นแหละเป็นข้อใหญ่แกยังไม่อยากเกิดแกหวงทรัพย์สินทั้งทา ง, งที่ก็เอาไปไม่ได้โอ้จริงครับผมร้องแต่แรกก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยแต่เอ่ยก็ถ้าเชิญแกขึ้นมาบนฝั่งแกจะเอาเหรอเพราะแกกลัวจะต้องเกิดนี่ครับผมมีปัญหาถามขึ้น คุณนพก็พยักหน้าเห็นด้วยแต่ว่าการเชิญที่เป็นโดยการวงสรวงจะทนอยู่ไม่ได้จะต้องรับแล้วก็ต้องขึ้นมาตามที่บอกกล่าวคุณนพพูดอ๋อผมร้องแต่ก็ต้องเกิดอยู่ดีเพราะว่าผ่านกับผู้หญิงในบ้านมามากคนนั่นแผนของฉันที่จะให้สงบละคุณนพพูดแล้วก็หัวเราะผมนึกขึ้นได้เลยหัวเราะไปด้วยที่แท้เป็นแผนที่จะล่อผู้อลาวาาให้มาเกิดซะนั่นเองแต่ก็ไม่แน่นะ สมัยนี้ถ้าคำเชื้อเชิญ น, นั้นดีมากคุณปู่อาจจะกลายเป็นเจ้าพ่อไปเลยก็ได้ไม่ใช่ผีแบบเก่าถ้าเป็นได้ก็ดีไปคุณนบพูดอย่างตรึกตรองคืนนั้นพอคุณนบพูดอะไรอะไรให้ผมรู้เรื่องดีแล้วผมก็ลาท่านกลับไปนอนในวันรุ่งขึ้นผมคอยดูว่านายมั่นจะมาหรือยังเพื่อให้แน่ใจว่าคุณนายจะยอมทาตามคาแนะนาของคุณนบหรือไม่นายมันไม่มาตอนเช้าต่อเมื่อจวนเพนจึงมาวัดและมากับคุณนายด้วย มีคนใช้หญิงหิ้วปิ่นโตมาด้วยคุณนบวุ่นละคราวนี้ต้องเอาธุระกับคุณนายแกเรื่อยลงแกมารู้จักกุติอย่างนี้แกก็วิ่งมาเรื่อยผมระนึกสงสารคุณนบท่านคุณนายมากราบแล้วก็นั่งเรียบร้อยเอาอาหารในปิ่นโตออกจัดเรียกเด็กเอาถ้วยเอาชามมาเตรียมอาหารเพนผมกับนายมั่นก็เลยช่วยกันจัดการพอกองเพนลั่นคุณนบก็ลงมือฉันจังหันดิฉันมีเรื่องจะเรียนกับพระคุณท่านละค่ะ ว่าดชฉันกลัวที่จะเอาคุณปู่เด็กๆขึ้นมาอยู่ข้างบนคุณนายเริ่มต้นเมื่อคุณนายพูดจบคุณนบก็หันหน้าไปมองคุณนายแล้วก็สั่นหัวอย่ากลัวเลยคุณนบว่าอัตมาวางแผนไว้ดีแล้วคุณนายมีแต่จะรุ่งเรืองขึ้นอีกถ้าทําตามที่อัตมาวางแผนไว้ให้การทําครั้งนี้ไม่มีอะไรจะน่ากลัวเลยนะสารนั้นจะเป็นที่พึ่งแล้วก็คุ้มกันให้คุณนบว่าถ้าไม่มีอะไรน่ากลัวก็เอาสิคะคุณนายพูด เราทำสารเล็กๆจะน่ากลัวอะไรล่ะแล้วผู้ที่มาสถิตอยู่ก็จะเป็นเจ้าไม่ใช่ผีอย่างเกาเราทำพิธีให้ถูกต้องเจ้านั้นก็จะคุ้มครองเราผีสางอะไรอะไรก็เลิกกันไปคุณนกว่าโอ้โหพระคุณท่านทาให้แก่ดิวฉันอย่างนั้นก็วิเศษสิคะคุณนายนิ่มนวลยกมือท่วมหัวไม่ใช่อัตมาทำหรอกอัตมาจะจัดคนชำนาญมาทำให้เองเพราะว่าอัตมาเป็นพระทำเองไม่ได้ การบวงสวงนั้นจะต้องไหว้เทวดาไหว้ผีไหว้พระสงฆ์จะให้พระสงฆ์ไปไหว้ใครไม่ได้หรอกนอกจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเรื่องพันนี้ก็ต้องใช้คารวรรมเพื่อนของอาตมามีจะทำให้ขอยืมรถยนต์สักคันพอไปตามผู้ที่อยู่หัวเมืองมาให้คุณนพอธิบายโอ๊ยไม่ขาดคล้องดอกเจ้าคะ่ะจะเอากี่คันก็ได้คุณนายพูดจะต้องใช้เงินใช้ทองค่าอะไรอีกก็เชิญนะคะดิฉันไม่อั้นคุณนายรีบรับปาก ในมัน่นรีบวางแบบสารให้คุณนายเร็วแล้วก็รีบสร้างให้เสร็จภายในห้าหวันนี้แหละแต่ว่าไม่ใช่สารพระภูมินะเป็นสารเจ้าธรรมดาคุณนบสั่งในมัน่นถ้าคุณนายกลัวอายว่าสารเจ้าอยู่หน้าบ้านในมั่นก็หาทางทําซะให้มิดชิดแล้วก็หน้าดูเถอะนะคุณนบตกลงจะไปศรีราชา นายมั่นก็เอารถยนต์ที่คุณนายให้ยืมก็ได้รถจิปมาเหมาะใจที่จะวิ่งเข้าทางโขรกเกลกส่วนเงินทองค่าใช้จ่ายต่างๆนายมั่นเบิกคุณนายมาเรียบร้อยการไปครั้งนี้ผมห่วงทางโรงเรียนก็เลยไปด้วยไม่ได้คุณนพก็ไปกับนายมั่น2คนพร้อมกับคนขับของคุณนาย เสียเวลาสองวันคุณนบก็ได้ตัวในชิดเพื่อนเก่ามาจากป่าหลังสีราชาแล้วมอบตัวให้ไปหาคุณนายกับนายมัน่นเพื่อแจ้งสิ่งของต่างๆที่จะต้องซื้อแล้วก็ต้องจ่ายสุดแต่พิธีนี้จะมีอะไรบ้างคุณนายนิ่มนวลไม่ลืมที่จะต้องให้มีการเลี้ยงพระด้วยตามธรรมเนียมการตั้งบวงสรวงเป็นพิธีใหญ่และน่าเลื่อมใสาทางศิศาสตร์อยู่ที่เดียวทั้งอ่านคำองค์การแล้วก็ว่ามนเป็นไปด้วยเวลานา น, านพอใช้ จนมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้สดแล้วก็น้ำอบไทยฟุ้งมากลบบริเวณนั้นในชิดหยุดพิธีกระซิบกับพวกเราว่ามาแล้วและมาในฐาน ะ, สะเสด็จเป็นเจ้าไม่ใช่ผีทุกคนดีใจเป็นที่สุดเรื่องนี้ก็เป็นไปโดยคุณนบทั้งสิน้นผมรู้สึกว่าพระรูปนี้สมเป็นพระจริงๆช่วยทุกช่วยสุขทั้งนั้นไม่ว่าใครจะมาขอร้องเป็นรับช่วยไม่ว่าหนักหรือเบา ก็เลยกลายเป็นพระที่กุฏิไม่แห้งแขกเรือมากมายทั้งเก่าและใหม่ผมเองก็ยังพ้นคุณนบไปไม่ได้ถ้าไม่มีครอบครัวก็ขออยู่กับท่านไปก่อนสนุกดี